ธรรมเทศนาของหนวงปูกขาวอนารโยวัดถ้ำกองเพลงจังหวัดหนองบัวลโพูเรื่องอริยาสัต ความเกิดชนาความแก่พยาธิความเจ็ดมรณะความตายนี่ทุกข์ับสัตว์ทุกข์มันเกิดมาจากไหนทุกข์เป็นตัวผลสมุทัยเป็นตัวเหตุสมุทัยคือกามตัญหาภวตัญหาวิภวตัญหา ความค่าในรูปที่สวยที่งามในวัตถุกรรมต่างๆมีเงินทองเข้าของเป็นต้นเรียกว่าการมตันหาความอยากมีอยากเป็นอยากเป็นนูน่นเป็นนี่อยากเป็นเศรษฐีขหบดีเป็นต้นเรียกว่าภวตันหา ความไม่พอใจร่างกายของตนก็ดีของคนอื่นก็ดีเมื่อแก่ลงมามีความชำรุดทุดโทรมผมหงอกฟันหักแก้มตอบเป็นต้นเลยไม่พอใจหรือเสียงเขาด่าเขานินทาได้ยินเข้าก็เกิดความไม่พอใจนี้เรียกว่าวิภวตันหา ตัณหาทั้งสามประการนี้เป็นเหตุให้สัตว์ท่องเที่ยวอยู่ในวัฏสงสารในพบน้อยพบใหญ่นับกับนับกันไม่ได้ตัณหามันเกิดขึ้นจากไหนต้องค้นหาเหตุมันเหตุมันเกิดจากอายตนะภายในและอายตนะภายนอกมาสัมผัสกัน ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกดมกลิ่นริ้นริมรสกายถูกต้องสัมผัสใจรู้ธรรมารมพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้สำรวมอินทรีย์ทั้งหกคือสำรวมตาหูจมูกริ้นกายใจให้เพียรสำรวม เพียรละไม่ให้เกิดความยินดียินร้ายทําจิตให้เป็นกลางวางเฉยต่ออารมณ์นี่เรียกว่าการดับตัณหาการทําความเพียรการสํารวมและการทําความดีทุกอย่างเพื่อละตัณหานี้แหละเป็นทางมรรคเมื่อปัญญาเห็นความเกิดขึ้นความดับ ไปของสังขารทั้งหลายทั้งปวงเห็นแน่ว่าไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนเป็นเพียงธาตุสี่มาประชุมกันเข้าแล้วก็แตกสลายไปอย่างนี้แต่ไหนแต่ไรมาทิฏฐิธรรมมีการตั้งขึ้นมีอยู่แล้วดับไป พิจารณารู้เท่าทันในสิ่งเหล่านี้ไม่วันไหวเรียกว่านิโรธคือผู้วางเฉยต่ออารมณ์ดังนี้แร